ไรคนเราจึงรับความคิดจากคนอื่นไม่ได้ทุกอย่างอันคนที่มีสันดานชั่วนั้นจะสอนเพื่อจะให้เปลี่ยนความคิดและความประพฤติอย่างไรจะเห็นว่าทำได้ยากอย่างยิ่งการที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในขณะที่เขาฟังเราพูดนั้นเขาจะคิดเหมือนอย่างที่ตนเองเคยคิดอยู่ตลอดเวลาเขาจะคิดตามคนสอนไม่ได้ เมื่อละความคิดเดิมไม่ได้ความคิดอันใหม่ซึ่งมีคุณลนะักษณะหรือมีคลื่นคนลเรยานกับของเขาจึงเข้าไปสู่จิตใจของเขาไม่ได้ผลที่ได้รับก็เท่ากับเขาไม่ได้ฟังนั่นเองเหมือนเครื่องรับวิทยุซึ่งหมูวแต่รับคลื่นใดคลื่นหนึ่งอยู่ไม่ยอมเปลี่ยนฉะนั้นคลื่นอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่คลื่นอันเดียวที่เขารับอยู่ก็ย่อมจะเข้าไปในเครื่องรับอันนั้นไม่ได้ ถ้าเป็นคลื่นใกล้เคียงกันก็พอจะแทรกเข้าไปได้บ้างข้อนี้ฉันใดคนที่เปลี่ยนความคิดเดิมไม่ได้ก็เป็นในทํานองเดียวกันนี้และจากข้อมูลอันนี้จะทำให้เข้าใจได้ง่ายว่าพลังแห่งความคิดหรือกระแสความคิดซึ่งจะมาจากใครก็ตามบางคนรับได้แต่บางคนรับไม่ได้เพราะเหตุไรและถ้าคนไหนรับได้ ก็เปลี่ยนความคิดไปตามกระแสที่เข้ามาใหม่นี้ได้แต่ถ้าคนไหนรับไม่ได้ตนเองเมื่อก่อนเคยคิดอย่างไรประพฤติอย่างไรก็จะเป็นไปเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดีก่อนเพราะโดยปกติคนที่รับความคิดของใครได้นั้นตนเองจะต้องมีพื้นในทางนั้นอยู่บ้างมีฉะนั้นแล้วจะรับอะไรไม่ได้เลย คนดีรับสิ่งที่ดีได้ง่ายคนชั่วรับสิ่งที่ชั่วได้ง่ายเวลานี้คนในโลกส่วนใหญ่มักจะคิดกันแต่ในเรื่องชั่วร้ายเช่นคิดเบียดเบียนกันเอาเปรียบกันโกงกันฆ่ากันอย่างนี้เป็นต้นได้กล่าวมาแล้วว่าความคิดทุกอย่างมีแสงและเป็นคลื่นสามารถวิ่งไปถึงจิตใจคนอื่นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เมื่อคนส่วนใหญ่ในโลกเป็นอย่างนี้มนุษย์ทั้งหลายจึงได้รับอิทธิพลจากความคิดที่ชั่วร้ายกันมากผลที่เกิดก็คือคนในโลกทำความชั่วกันมากบังคับตนเองไม่ได้เพราะพลังแห่งความชั่วร้ายนั้นมนุษย์ในโลกไม่เพียงแต่ได้รับจากมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นหากยังได้รับมาจากพวกอปปปาติกะที่ชั่วร้ายด้วยนักการพนันที่เลิกการพนันไม่ได้ซึ่งมักจะพูดกันว่า เป็นเพราะผีการพนันเข้าสิงนั้นไม่ใช่เป็นเพียงคำเปรียบเทียบหรือพูดกันเล่นเฉยๆเท่านั้นความจริงก็เป็นอย่างที่พูดนี้ด้วยเหมือนกันกล่าวคือคนที่เล่นการพนันนั้นมักจะมีผีนักการพนันเข้าสิงจริงทั้งนี้ก็เพราะคนที่เคยเป็นนักการพนันนั้นเมื่อก่อนตายยังละนิสัยเดิมไม่ได้ตายแล้วนิสัยก็จะเหมือนเดิมคื อ, อยังชอบเล่นการพนันเหมือนสมัยเป็นมนุษย์ พวกนี้นี่ลหละจะคอยชักจูงโดนใจพวกนักการพนันทั้งหลายที่ต้องเล่นอยู่ตลอดไปเลิกไม่ได้เพราะจิตของเขากับของผีรับความคิดซึ่งกันและกันได้ง่ายในทำนองเดียวกันคนที่ดีมีพื้นจิตใจดีมีความคิดที่ดีอยู่เสมอก็จะรับความคิดที่ดีจากผู้อื่นได้ง่ายขอได้ปรด จ, จำไว้ว่าคนที่อยู่คนละภูมินั้น โดยปกติย่อมจะพูดกันไม่รู้เรื่องคำว่าคนละภูมิในที่นี้หมายถึงภูมิในทางจิตใจไม่ได้หมายถึงชั้นของคนในสังคมซึ่งมักจะวัดกันด้วยฐานะทางการเงินหรือยศถาบรรดาศักดิ์หรือวัตถุภายนอก